ทันจะพิกเวพิกขุกเเยกายานุปาสิวิหารตีเอกสูทั้งหลายพิกสูเป็นผู้มีปกติพิระนาเห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเรา อินดาพิาเวพิกรวมบิกสู่ทั้งหลายบิกสู่ในศาสนานีอารัญยคัโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุขะมุระคะโตวาหรือคนไม้ก็ตาม สุญญาคารคต ว, วาหรือเรือนว่างก็ตามนิสิตาติปันลังกังอาภูชิตตาวายอมนางภูคาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายยังปานิทายาทั้งกายตรงปาริมูขังสติงอุปาคาเปตาวา ดโรงสติชฉพานาะโสตโวปัสสะสะติเออเป็นผู้มีสตินั้นเหี่ยอาณะหายใจออกสัตโตปัสสะสะติมีสติขณะหายใจเขา้าอีขังว่าสสสันโตเมื่อหายใจออกยาว ทีครั้งอาสสามิติปะชาาติก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวทีครั้งวาปะสะสันโตเมื่อหายใจเข้ายาวทีครั้งปะสะสามิาาติณที่เดียก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว ราสังว า, าสสะสันโตเมือ่อหายใจออกสานราสังอาสสะมีติปะชานนตีชัดว่าเราหายใจออกสาน ราสังวาปะ ส, ะสันโตเมื่อหายใจเข้าสัน้นราสังปัะสะสามิติปะชานาติก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นสาพะกายาปฏิสังเวทีอาศิสามิติสิกาติ เธอยอมศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออกสัพปะกายาปฏิสังเวทีปัสสิสัมมิติสิขะตีเธอยอมศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง ขณะหายใจเข้าปัจสมปยังกายสังขารังอัสสะิสามีติสิกาติเอ่ย่อมศึกษาว่าเราทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่ขณะหายใจออกปัจสมปยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกาติ เธอยอมศึกษาว่าเราทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่ขณะหายใจเขา้าปิติปฏิสังเวทีอา ศ, าศิสสามิติสิกธติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติขณะหายใจออก ปิติปฏิสังเวทีอาศะสิสามิติสิกาติเอายอมศึกษาว่าพระเจ้าพ่อซึ่งปิติปนาหายใจเขาสุขปฏิสังเวทีอาสะสิสามิติสิกาติ เธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขนาหายใจออกสุขปะปฏิสังเวทีปัสะสิสามิติสิกติเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขนาหายใจเขา้า จิตสังขาระปฏะิสังเวทีอ า, าศิสสามิติสิขติเอาย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้เฉพาะซึ่งจิตรุงแต่งขณะหายใจออกจิตสังขาระปฏะิสังเวทีปสัสสิสสามิติสิขติ เอยย่อมศึกษาว่าเราจะเปรู้ออมเฉพาะซึ่งจิตปรุงแต่งขณะหายใจเข้าปัสสัมพยังจิตตะสังขารังปาสาะสีสามิติสิกาติเอยย่อมศึกษาว่าเราจะเผู้รู้อ้แต่ง ให้สงบประงับอยู่อนาหายใจออกปาสัมพยังจิตะสังขารังปาสัสิสามิติสิกติสาว่าเราเป็นผู้ทงจิตปรุงแต่งให้สงบประงับอยู่อนาให้ใจเขา้า จิตตปฏิสังเวทีอาศาสิสสามิติสิกติเอ่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ร้อมเฉพาะซึ่งจิตปนาหาหายใจออกจิตตปฏิสังเวทีอาศสสิสสามิติสิกติ เอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตขณะหายใจเข้าอาภิปะโมจะยังจิตดังอาศาสิสามิติสิคติเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้พระโมทยิ่งอยู่ขณะหายใจออก อาภิปโมจะยังจิตังปัสสะสิสามิติสิกขีเอยยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ประโมทยิ่งอยู่ปนาหายใจเขา้าสมาทางจิตังอาสะสิสามิติสิกขี สาว่าเราเป็นผู้ทั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ขณะหายใจออกสมาธามจิตดำอา ศ, าศิสามมิติสิกดีเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ขณะหายใจเขา้า วิโมจ ย, ยังจิตังอสสาศัศวิสมาติสิกดีเอ่ย่อมศึกษาว่าเราจัดผู้ทงจิตให้ปล่อยวางอยู่าณใหาใจออกวิโมจ ย, ยังจิตังปาศสสิสมิติสิกดี เอยยมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ขณหายใจเข้าอานิจานุบาสีอสาสัสิสามิติสิกธิเอยมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ขณาหายใจออก อานิจานุปัสสิปัสสะสิสมิติสิกขีเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ปณหาหยใจเขา้าวิราคานุปัสสิอัสสะสิสมิติสิกขี เอยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางครายอยู่ขณะหายใจออกวิราคานุบาสิปัสสิสมีติสิกติเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่ขณะหายใจเขา้า นิโรธานุบาสีอาสาศสิสามิติสิกาติเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่ขณะหายใจออกนิโรธานุบาสีปาสาศสิสามิติสิกาติ เอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่ขณะหายใจเข้าปัตตินิสัคานุปัสสิอาศาสิสามมติสิกาติเอยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลาดขึ้นอยู่ขณะหายใจออก อาตินิสักานุปสิปาัสสิสามีิติสิกติเอย่อศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดขื่นอยู่อนาหายใจเข้า สยธ า, าปิพิกขเวทโภพมักโรวาพะมะการันตสิวามอิสูทั้งหลายเรียบเหมือนนายช่างกลึงหรือลูกมือของช่างกลึงผู้ชำนาญที่ข้างว่าอันชั้นโดที่ข้างอันชามิติปาชานาดี เมื่อชักเชือกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกลึงยาวรายสังวาอันชั่นโตรสังอันชามีติปาชานาดีเมื่อชักเชือกดึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกดึงสั้น เอวะเมวะโคพิขาเวพิกรุภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นอิทิอาจาตังวากายเยกายานุปัสีวิราติยด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติฟิจารณาหินกายในกาย อันเป็นภายในบ้างพระหิด า, าวาคายเกกายานุปัสสิวิรติในากายอันเป็นภายนอกบ้างอจาจัตตาพระหิดาวาคายเกกายานุปัสสิวิรติในากายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง สามุตัยธรรมานุปัสิวากายสมิงเวระฏีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวายธรรมานุปัสิวากายสมิงเวระฏีเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บาง สามุทายาวะธรมมานุปสิวากะสมิงวิหาราติเหตุธรรทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนีบ้บางอาทิกายโยติวาปนาสาสติปัจจุปปิตาโหติ ที่คือความระลึกว่ า, ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวะเทวยานามัตตายะเพียงเพื่อรู้อฏ<ะ>ิสติมัตตายะเพียงเพื่อหาใสระลึกอานิสิตโตจาวิหารติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิใส่ไม่ได้น่าจะกินจีโรเกหุปาทิยาตีเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวัมปีภิกขเวภิกูกายเยกายานุปาสสีวิระตีภิกษุทั้งหลาย ีก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณากายในกายอยู่หน้าแปดสิแปดภณะจะปรังภิกขเวภิกขุนมิกูุทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมี กาจันโตวากาชามิติปาชานานติปิสุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่โ ต, ววา ต, ตมาหิติปาชานานติเมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ นิสินโนวานิสินโนมาหิตีปาชานานตีเมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่สายานโนวาสายานโนมาหิตีปะชานณตีเมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่ ยาทายาทาวาปณาสกายโยปนิหิตโอหันตีังกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดตาทายาทานำปัญญานานตีย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น อิทิอาชาตังวากายเยกายานุปัสีวิปติอาดวยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบางบารีตาวากายเยกายานุปัสีวิ ราตยในกายอันเป็นภายนอกบ้างอาชาตาภะิทาวกายเยกายานุปัสสีวิราตะในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสามุทยธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิราตี และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเหตุธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวายธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิปฏิบเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บาง สามุทยายวายะธรรมานุปาสิวากายาสมิงวิระติเอ็นธรรมอันเปี่ยเสื่อมไปในกายนี้บางอาทิกายโยติวาปน า, าสสติปัจุปาปิตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่า มีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาเทวญาณมัตายาเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมัตตายาเพียงเพื่อใอาสายระลึกอานิสิตโจอวิหารติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัญหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโลเกอุป า, าทิยาติเธ อ, อไม่ยืดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวามปีพิขเวพิขุขกายเกกายานุปัสีวีพระตีอัมพิกสูทั้งหลาย ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกสุเป็นผู้มีปรกตินาหินกายในกายอยู่คุณจะบาลังภิกขเวภิกขูภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกอภิการเตปฏิการเตสัมปาชานณกาลิโหติ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 ปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูการเลี้ยวดูสามมินชิเตปัสาริเตสัมปาชาณกาลีโหตีเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู่การเหยียดอวัยวะ สังคาติปัตติจีวรทธาระเนสัมปาชานกาลีโหติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกทั่วทั่วพร้อมในทางสังาติปัตจีวรนอสิเตปิเตฆิเตสายิเตสัมปชานกาลีโหติ เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มอุจาระปาศาวะกเมสัมปชาณการิโหตีเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจาระปาศาวะ อาเทติเตนิสินเนสุเตชาคริเทภาสิเตตุนบาเวสัมปชานาการิโหตีเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกทั่วทั่วพร้อ ม, มการไปการหยุ ด, ก า, ก, า ก, า ก, าดการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง อิติอาจัตังวากายเยกายานุปัสสิวิระติอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาหินกายในกายอันเป็นภายในบ้างวะหิทาวากายเยกายานุปัสสิ วิหารดีในกายอันเป็นภายนอกบางอาจัตตะหิทาวากายะกายานุปัสสิเวราตีในกายอันเป็นภายในและภายนอกบางสามุตายะธรรมานุปัสีิวากายาสมิงเวราตี และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนิบ้างวายะธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิรรติเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนิบ้าง สามุทายะวยะธรรมานุปาสิวากายะสมิงเวหาราตีเห็นทําทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บางอาทิกายติวาปน า, าสสติปัจจุปาติท่าโหติก็แลสติคือความระลึกว่า กายมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวะเทวยานามตายาเพียงเพื่อรู้ปฎิสติมาตายาเพียงเพื่อหาไสยระลึกอานิสิโตโจาวิปฏิที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัน และที่ที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโลเกหุปาติยาตีเออไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอาวามปีพิกเวพิคุกายกยายานุปสีวิรติภิกษุทั้งหลายที่ก็ชื่อว่าภิกษุมิ ปกิพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ต่อไปเราจะสวดเรื่องกายานุปัสสนาในบทที่สว่าด้วยธาตุสีหน้าเก้าด้านหลังนะ คุณณะจะปรังพิกเวภิกขุเบิสู่ทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกอิมะเมวกายยังอุทังปธาธตะราอีกสู่พิจารณาเห็นกายนี้แลจากเรื่อพุณไปสู่เบื้องบน อาโทเกสะมมัตกาตัจปริยันตามจากปลายผมลงมาในเบื้องตามอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบอุรนนานาปัการาสะสอสุจิโนปัจเจเวคจีเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่า อาทิอิมาสมิงกายะในร่างกายนี้มีเกสาโลมานาคาทันตาตาจวผมขนเลฟันนางมังสังนาหารูอาทิอาทิมินชังวักังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกม้าม อาทยังยักะนังกิโลมะกังพิหะกังปะพะสังหัวใจตับพังปืดไายปอดอันตังอันตาคุณังอุทาริยังการีสังไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทิตังเสมังอุโพโลทิตัง เมโทนิสเลตน้ืองเลือดเงือมันคน<า>อสุวัสาเกโรสิงคานิกาละศีกามุตันดีน้ำตามันเหลียวน้ำลายนะ้ำมูไข่ข้อมูดดังนี้ สยยาทาปิพิกาเวอุพโดมุคาโตลีบิสุทั้งหลายเปลือเสมือนไทยมีป่าสองข้างอุรนานาวิหิตาสาทยาสาสัยยาที่ทางเต็มไปด้วยพัญญาชาติมีสิ่งต่างต่างกล่าวคือ สาลีนางวีหีนางมุขานางรีข้าวเปลือกถั่วเขียวมาสานางอิลานางตันดุลานางถั่วราชมาดงาเข้าสารตเมนางกาคูมาปุริโซมุนกิตวาปะเจวิคัยยะ บูรุษผู้ม <met> ีตาดีแก้ไทยนั้นออกแล้วที่จะรนาเห็นได้ว่าอีเมสารีเมวีอีเมมุขาพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวอีเมมาสาอีเมติลาอีเมตันทุลาตี พวกนี้ถั่วราชมาตพวกนี้งามพวกนี้ข้าวสารเอวะเมวะโคภิขะเวภิกูปีกสู่ทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นอิติอาชะตังวะากายกายานุปัสสิวิรติ ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจานาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างปหิีดาวากายเยกายานุปัสสิวิระติในกายอันเป็นภายนอกบ้าง อาจต้าภะหิทาวะกายานุปัสสิวิหาราดีในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสมุทัยอมานุปัสสิวากายสมิงวิระตีและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรม อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวายะธรรมานุปัสสีวกายสมิงวิะติเห็นทาอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บางสามูทายวายะธรรมานุปัสสีวกายาสมิงวิะติ เอ็นทงรังอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บางอาทิกายโยติวาปนาสสติปัจุปาตาาิตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่า ด, ด, ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวะเทวญาณมาตายาเพียงเพื่อรูปปฏิสติมาตายาเพียงเพื่อหาไสยระรึกอานิสิโดยชาวิหารตีที่แท้เธอเป็นผู้ที่ทันและทิ่ทีอาศัยไม่ได้น่าจากินจีโลเกอุปาทิยตี เธอไม่ยืดมันอะไรอะไรในโลกนี้แหววังปีพิกเวปิกขุกายเยกายานุภาสีวิตรติปิปิสุทั้งหลายแม่อย่างนี้ก็ชื่อปิกสุเป็นผู้มีปกติพิจารณา กายในกายอยู่พุนะจะ พ, พ, พรังพิกเเวพิคูณพิกสูทํางหา ย, ม, ย, า ย, ยมีอยู่อีกอีมาเมวกายยังย่าทาที่ตังย่าทาปณิหีตังพิกสูยอมพิจารณาให้อันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แหละ อาตุโสปัจเวคติโดยความเห็นเป็นธาตุว่าอาทอิมาสมิงกายในร่างกายนี้มีปาทวิธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายธาตุทีธาตดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ ไสยธทาปีพิกาเวทโคโคต้โควาภิกษุทั้งหลายเปรียบสังขารข้าโคโคขอาต า, ากันเดวาศิวาหรือลูกมือของคนคาโคผู้ชัางนานอาวิงวาทิตวาฆ้าโคแล้ว ญาตุมหาปะเทวิลาโสปติวิภัชิตวานิสินโอสานางแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสีแยกเอวะเมวะโคพิขเวพิกรุปกสูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น อิมาเมวะกายยังยาทาติจังยาทาปนิทัทาตุโสปัจเวคตีอิพิสุยอมพิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แลด้ดยความเป็นาธาตุว่าอาทิอิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ อาธวิชาตุอาโปธาตุเตธาตุวายตุตีท่าดินทตาน้ำท่าไปทตาลมดังนี้อิติอาจาตังวากายายานุปัีสิวิประติด้วยอาการอย่างนี้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างปาหิตาวาคายเยกายานุภัสสิเวห า, าดีในกายอันเป็นภายนอกบ้างอาจาตาปาหิตาวาคายเยกายานุปัสวิเาระดี ในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิธระติและเป็นผู้มีปกติพิพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวายะธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิระติบ เอ็นทำอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บ้างสามูทายวยะธรรมานุปัสิวากายาสมิงวิตรติเห็นทำทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปในกายนี้บ้างอธิกายติวาปนาสัสติปัจจุปาถิตาโหติ ก็แลสติคือความระลึกว่าไ้มีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไวย an ้ยาวะเทวญาามาตดยาเพียงเพื่อรู้บาติสริมตาตยาเพียงเพื่อหาใสยระลึกอานิสิทโตจาวิหารตี ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้นะ่าจากินจีโลเกหุปาติอทิเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวามปีพิกเวพิกุกาเยกายานุปาสสีวิราตีพิกสูทั้งลายแม่อย่างนี้ก็ชื่อว่าพิกสูเป็นผู้มีปกติพิจพรณาเห็นกายในกายอยู่